ความไม่แน่นอนที่ไม่อาจคาดการหรือทำนายได้หาประการนี้นะเป็นสิ่งที่ทำให้ความตายก็กลายเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นในสายตาของคนทั่วไปคือลาพังเนี่ยพอรู้ว่าต้งตาอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้มันก็ก็ทาความวั่นว้ให้กับคนมันจำนวนไม่น้อย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 ว่าเรียนจะเรียนที่ไหนจบแล้วจะไปทำงานอาชีพอะไรจะมีรถมีบ้านเมื่ออายุเท่าไหร่จะมีครอบครัวเมื่อไหรจะมีลูกเมื่อไหรแล้วก็จะ e อ r ร y ลีจะลีทายหรือ Early r e t ท r ยเมื่อไหร่นี่คือแบบแผนของชีวิตในยุค ป, ปัจจุบันที่มีการวางแผนกันเรียบร้อยจงกระทั่งอ า, อาจจะกำหนดได้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 แผนการทั้งหลายทั้งปวงที่วางไว้พังทลายอย่างสิ้นเชิงความไม่น่ายานองของความตายนะก็เลยทำให้ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงเพราะถ้นึกถึงแล้วนะก็ดูเหมือนว่าไม่รู้จะวางแผนชีวิตไปทาไมนะ เพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เลยมีชีิตอยู่อย่างลืมตายนะลืมตายคือว่าไม่สนใจเรื่องความตายไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพูดไม่อยากจะได้ยินนะแม้กระทั่งคําว่าความตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากจะพูดกันนะต้องเลี่ยงไปใช้คําอื่นนะจากไปบ้างสิ้นลมบ้างนะ หรือว่าถ้าตรงหน่อยก็คือเสียชีวิตการที่พูดถึงคำว่าความตายคำๆนี้กลายเป็นคำอูด จ, จาดขึ้นมาคือฟังและสแสลงหูแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นอัปมงคลเม่ได้ยินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนจำนวนมากเนี่ยอยู่อย่างลืมตาย ในแง่หนึ่งนะก็ชีวิตก็ดูเพลดเพลินเพลิดเพลินกับความสนุกสนานหรือว่าเพลิดเพลินกับการทางานหาเงินก็แล้วแต่แต่ว่าในที่สุดก็ต้องพบความจริงว่าความตายจะต้องมาถึงตัวในที่สุดแลวเมื่อถึงตอนนั้นก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ก็ประลิความตายด้วยความทุรนทุรายด้วยความกระสับกระส่ายแล้วก็จำนวนมากก็ตายแบบเรียกว่าหลงตายนะหลงตายคือตายยังไม่มีสติคำว่าหลงตายนี่เป็นคำโบราณเมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่อย่างลืมตายนะเมื่อตายก็ตายแบบหลงตายนะนี่ไม่พ้นเลยนะถ้าอยู่อย่างลืมตายเมื่อไหร่ก็ต้องหลงตายเมื่อนั้น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 ไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวเลยมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วความน่ากลัวก็หายไปความเข้าใจทำให้ความกลัวมันบรรเทาเบ า, บาบางลงไปเหมือนกับว่าความเข้าใจนั้นเปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่ทำให้ความมืดหรือความลี้ลับนั้นหายไป เมื่อความสว่างเข้ามาแทนที่นะความน่ากลัวก็ไม่ปรากฏที่จะมาคุกคามเราได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้คนจนวนไม่น้อยนะที่เวลานึกถึงความตายแล้วก็อดสยดสยองหดหูไม่ได้คงไม่มีวิธีใดที่จะดีกว่าการพยายามทำความเข้าใจกับความตาย เพราะเมื่อเราทำความเข้าใจใความตายแล้วความตายก็จะลดความน่ากลัวลงไปและถึงตอนนั้นก็ จ, จะพบว่าจริงๆแล้วความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายนะคนเราตายก็ตายครั้งเดียวแต่ถ้าเรากลัวตายเมื่อไหร่เปนความกลัวตายก็จะคุกคามเราวันแล้ววันเล่า อาทิตย์แล้วอาทิตย์เลาเดือนแล้วเดือนเล่าหรือว่าปีแล้วปีเล่าคุกคามทีไรก็เหมือนกันว่าใกล้จะตายทุกทีอันนี้คนหนึ่งเขาก็เลยพูดไว้หน้าฟังอีกเหมือนกันว่าคนกล้านั้นตายครั้งเดียวแต่คนขาดนั้นตายหลายครั้งนะเราทุกคนนะตายครั้งเดียวแต่ถ้าเรามีความกล้าถ้าเรามีความกลัวเข้ามาครอบงำจิต เราจะตายหลายครั้งเพราะว่านึกถึงความตายทีไรก็สยองทุกทีหรือว่าเมื่อคนที่เรารักจะเป็นพ่อแม่คู่ครองลูกหลานมิตรสหายเขาตายจากไปหัวใจแล้วก็เหมือนกับว่าจะแหลกสลายแต่เราไม่ได้หัวใจแหลกสลายแค่ครั้งเดียวจะต้องแหลกสลายอีกหลายครั้งเพราะว่าคนที่เรารักคนที่เราผูกพันนั้นมีมากมายนะ ซึ่งเราอาจจะโชงไม่ดีที่ต้องประสบกับความพัดพรากของคนเหล่า น, น, นั้นถ้าเราไปก่อนก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเจอความสูญเสียพัดพรากของคนจำนวนมากแต่ถ้าเราไปทีหลังเราก็ต้องเจอกับความพัดพรากสูญเสียของคนแล้วคนเล่าแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความตายเรากลัวความตาย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 หลีกพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความเจ็บขไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้อ น, นี้คือการพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดาแต่ว่าเท่านั้นอาจจะยังไม่พอเราต้องพิจารณาต่อไปว่าความตายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตเฉยๆแต่ว่ามันเป็นโอกาสด้วยนะความตายไม่ใช่วิกฤต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 สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อยไปเลยเมื่อเราลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนนะและเมื่อเผชิญและเมื่อความตายมาถึงในที่สุดนะก็มีคนจำนวนมากที่สามารถที่จะประคองใจให้อยู่ในความสงบรู้ตัวด้วยนะัไม่ใช่โคม่าหมุสติรู้ตัว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 หลีกพ้นได้ความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้เพราะทุกขเวทนาเป็นเรื่องกายก็จริงแต่ว่าทุกขทรมานเป็นเรื่องของใจและเรื่องของใจนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกเอาไว้ดีนะก็ไม่มีก็ไม่ก็ไม่ปรุงแต่งทุกขเวทนาให้กลายเป็นทุกขทรมานได้หลายคนก็ก็สามารถที่จะจากไปอย่างสงบ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 วางใจในที่หมายถึงการฝึกด้วยไม่ใช่แค่อมองเฉยๆแล้วก็ในถ้าเราศึกษาทางพุทธประวัตนะิก็จะพบว่านะหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีภิกษุภิกษุณีก็ดีหรือว่าคลือขัดก็ดีหลายท่านก็บรรลุธรรมได้ในช่วงที่ กำลังเจ็บปวดนะอย่างเช่นพระติสะซึ่งทุกทรัมทุกมีทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วยนะแผลผุพองเต็มไปหมดนะต้องนอนโดยไม่มีใครรักษาพยาบาลเพราะว่าเป็นที่หน้ารังเกียจนะอุจจาระปัสสาวะหรือน้องนี่ก็ไหลเลอะ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 ที่นอนทับอยู่เป็นแผ่นดินหาประโยชน์ไม่ได้พระติสาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังจะสิ้นลมนั่นเองมีตัวอย่างแบบนี้อยู่เยอะบางท่านก็ก็ตายอย่างทุกทรมานเช่นพระนางสัมมาวดีซึ่งตายอยู่ท่ามกลางกองไฟที่เผาครอกจนจนเสียชีวิต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 มีความท้อแท้หมดหวังกับการปฏิบัติธรรมถึงขั้นจะเปลิดชีวิตตัวเองนะปฏิบัติบวชมายี่สิบห้าพันษาไม่เคยพบความสงบใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะก็พยายามเชือดคอตัวเองแต่ในช่วงขณะนั้นเองช่วงที่ทุกขเวทนาแรงกล้ามันได้ทำให้ท่านได้เห็นหน่งความ ไม่น่าเอาไม่น่ายึดของสังขารจิตก็หลุดพ้นจากการยึดติดในสังขารนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันในชั่วขณะนั้นเองวันนีจเห็นได้ว่าความตายเนี่ยถ้าหากว่ามองให้เป็นที่ทางพระเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการ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 ได้อย่างมีคุณค่ามีความหมายนะเมื่อใดก็ตามที่เราลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยถ้าเราเร า, เรา ล, ะละึกนะอย่างอย่างอย่างมีใจน้อมนำอย่างมีสมาธิเพียงพอเนี่ย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 สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันสำคัญแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะผัดผ่อนอยู่เสมอเพราะมันไม่มีเส้นตายงานการมีเส้นตายนะฮะและบางทีเส้นตายนี้ก็รวมไปถึงการเที่ยวนะเทศกาลลดราคามีกำหนดเส้นตายที่ต้องไปคืนนี้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 ครอบครัวให้เวลากับลูกให้เวลากับตัวเองให้เวลากับพ่อแม่ให้เวลากับจิตใจใการปฏิบัติธรรมก็ถูกผัดพ่อเลื่อไปแต่เมื่อเราเลาถึงความตายเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะเริ่มมีความสาคัญขึ้นมากลายเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะการจัดระดับความสำคัญในชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปเราจะให้เราจะขนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนแต่ใ น, นเลาเดียกัน เราก็จะดหนักตระหนักต่อไปว่ามันมีหลายอย่างในชีวิตที่เราชอบยึดติดทั้งทั้งที่มันไม่มีประโยชน์และทั้งทั้งที่มันจะไปเป็นภาระกับจิตใจเมื่อใดที่เราเรลึกว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตายเราควรจะตายอย่างสงบตายด้วยใจที่ปล่อยวางเราก็จะตระหนักว่าชีวิตเรานั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆนที่เรายังมีชีวิตอยู่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 และการปล่อยวางส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราทําหน้าที่ให้กับเขาอย่างดีที่สุดแล้วเมื่อเราทําหน้าที่กับคนที่เรารักอย่างดีที่สุดจนกันทั่งไม่มีอะไรที่จะทําให้เร า, าห่วงกังวลการปล่อยวางกลายเป็นปเรื่องง่ายข่าวเดียวกันบางครั้งเราประสบความสูญเสียเราสูญเสียสิ่งต่างๆและเราผูกพันอะไรเสียใจ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 แมนะ้ว่ามันจะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังเก็บเอามาคิดถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วสูญหายไปเราก็เสียดายเศร้าอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เกิดความโกรธแค้นขุนเคืองรู้สึกผิดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะรบกวนจิตใจเรา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 เตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความตายตั้งแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตปกติธรรมดาอยู่เนี่ยเราจะวางท่าทีของเรากับสิ่งต่างๆใหม่นะซึ่งสรุปก็อย่างที่อาตมาได้ว่าไว้คือเราจะเริ่มข้นขวายทําในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนแล้วเราจะรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดส อ, อย่างที่สําคัญมากมันไม่สําคัญเฉพาะในการดําเนิน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 ความตายใกล้เข้ามาหรื อ, อยังนะหรือว่าเราไปฝึกอย่างอื่นนะมรณะสติจะต้องการพิจารณ์มรณะสติต้องถามเราต้องจะต้องจะต้อ ง, องมีคําถามตรงนี้ว่าเราพร้อมหรื อ, อยังเราทําหน้าที่ต่างๆที่สมควรทําได้เสร็จสิ้นหรื อ, อยังและเราได้พร้อมที่ฝึกจิตฝึกใจของเราหรื อ, อยัง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 ไม่ใช่ทําให้เราเกิดจิตใจหดหูเศร้าหมองอันถ้าเราพิจารณาแล้วเกิดความหดหูเศร้าหมองนี่แสดงว่าพิจารณาผิดแล้วมรณสติในพิจารณาต้องทําให้เกิดความกระตือรือร้นที่ภาษ า, าททางภาษาไสยแล้วความไม่ประมาทเกิดความกระตือรือร้นที่จะทําทสิ่งต่างๆนะที่สมควรทํา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 แต่ละเลิกเพื่อที่จะได้เร่งทำใช้เวลาใช้ชีวิตให้มีคุณค่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมคือเร่งทําความเพียรถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะหมายถึงการทําความดีทําหน้าที่ที่เราผิดชอบแต่สุดท้ายก็ต้องฝึกจิตฝึกใจด้วยถ้าหากว่าเราทาสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะก็สามารถที่จะพบความ สุขได้ในเวลาที่ตายมีพุทธภา ษ, ษิตว่าบุญย่อมทำให้ประสบสุขเมื่อสิ้นชีวิตนะภา ษ, ษ, ษิตสั้นๆนี้เนี่ยมีความหมายนะคือชี่อเห็นเลว่าความตายเนี่ยในความตายนั้นเนี่ยก็สามารถให้ความสุขแก่เราได้โดยเพราะถ้าหากว่าเราได้ทำความดีนะย่าง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 แต่ขัดแย้งในเดียวกันก็พร้อมที่ปล่อยวางอยู่เสมอสองอย่างนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันทํำสิ่งต่างๆด้วยความกระตือล้นล ด, ด้วยความผล็อยแต่ก็ปล่อยวางโดยเพราะถ้าเรามีการฝึกมรณส ต, ติอยู่เสมอโดยเพราะมรณส ต, ติที่เป็นการฝึกตายฝึกตายอย่างที่ได้ได้ทำกันเมื่อกี้นี้ก็เป็นการฝึกแบบหนึ่งคือฝึกตาย ไม่ว่าเราจะทำมากแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะเมื่อเราถึงเวลาที่เรานอนก็พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จไม่ต้องกังวลนะถึงไม่เสร็จก็ตายอย่างสงบได้ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะกำหนดเวลาตายของเราได้แน่นอนเมื่อเราถึงความตายเราก็ต้องเร่งมือที่ทำให้เสร็จ แต่เมื่อไม่เสร็จแล้วเราฝึกตายอยู่เสมอเราก็เลยรู้ที่จะปล่อยวางแม้งานน่าจะสำคัญแค่ไหนไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จแต่ถ้ามองในทางทำแล้วมันเสร็จทุกวันอยู่แล้วนะมีคนมาถามมาบอกท่านจารพุทธทาว่าสวนโมมมีตึกหลายตึกนะไม่เห็นเสร็จสักทีเป็นปีเป็นปี ป, น ป, ปีแล้วนะตึกนั่นก็ไม่เสร็จตึกนี้ก็ไม่เสร็จนะ ท่านอาย์พทบอกว่ามันเสร็จทุกวันอยู่แล้วนะะเราเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำใจแบบนี้ว่ามันเสร็จทุกวันนะกลับไปบ้านเวลาล้มตัวลงนอนนะก็พร้อมที่จะปล่อยทุกอย่างนะถ้าจะมีชุดอยู่ต่อไปวันลุ่งขึ้นก็ค่อยว่ากันใหม่นะแต่ถ้าหากว่า จะต้องจากไปในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจนั้นถ้าเรารู้ถึงความตายในแง่นี้ น, นะความตายช่วยทาให้ชีวิตปลอดโปรง่งมีมีกรอนบทหนึ่งของพระศาสนโสพลท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้แต่งเอาไว้พวกเราหลายคนจะเคยได้ยินที่บอกว่าราลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันตการ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 ความความโกรธความขุนเคืองใจเพื่อนเนี่ยมันหายไปเลยนะหายไปเพราะว่าเห็นแล้วว่าไอ้ความทุกข์ของเรานี่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับความตายที่จะเกิดขึ้นคนเราเนี่ยโกรธสารพัดเรื่องลถติด ก, ก็โมโหเพื่อนไม่มามาสายก็โมโหนะเราหงุดหงิดไปกับเรื่องต่างๆมากมายจนกระทั่งนะ ผมแห้งผมแตกปลายก็ไม่มีความพอใจทุกข์แต่พอเรื่ึงความตายขึ้นมานะไอ้พวกนี้มันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปเลยป่อยวางไปได้เลยมันจะมันจะแตกปลายมันจะแห้งก็มัน ไ, ไม่สําคัญแล้วละ่ะเพราะความตายมันยิ่งใหญ่กว่านั่นก็เหตุผลหนึ่งนะก็คือว่าไอ้ความทุกข์ที่เราประสบในชีวิตประจําวันมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อเรื่องความตายเพราะความตายความทุกข์อย่างมโหาาล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 นั่นทมาคิดว่าในการที่เราถ้ า, าว่าเราเราเราเห็นประโยชน์ของความตายในแง่นี้เนี่ยหรือประโยชน์ของการเรารื่องงความตายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความตายจริงเขาเป็นครูเป็นครูที่ที่ดุที่เขี่ยวเข็นที่คอยเคี่ยวเข็นไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราลหลาหงไหลมัวเมาในชีวิตเราต้องการครูแบบนี้นะครูที่ดุครูที่เคี่ยวเข็นนะ พอในงานเนี่ยเราจะหลงตกอยู่กับสิ่งเยา้ายวนต่างๆของโลกพวกท่านหลายหลายคนก็คงจะกำลังมีปัญหากับลูกกับหลานว่าเดี๋ยวนี้เขานะชีวิตเขานี่นะปล่อยหลงระเริงไปตามสิ่งแวดล้อมไปตามแรงยัยย่วยนะุบางทีคนที่หลงระเริงนี่ไม่ใช่แค่ลูกหลานนะบางทีก็เป็นเราด้วย นะเปลี่ยนกันเราหลงละเริงคนละแบบเขาจะหลงเรือดไปในความสนุกสนานแต่เราอาจจะหลงไปในเรื่องของการทํางานหรือว่าการวิ่งไล่ล่าเส้นตายนะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นความประมาทอย่างหนึง่งแต่ถ้าว่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีครูครูที่ดุและความตายเนี่ยสามารถจะเป็นครู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 พวกเธอเนี่ยจเจริญ ม, มาราณาสติกันอย่างไรรู่นหนึ่งก็บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าอาจจะมีชีวิตยอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเมื่อระลึกได้ชนน เ, <S <S เ, เดช้นนี้ก็เจริญเมื่อระลึกได้เช้นนี้ก็ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ทีนั้นรุ่นหนึ่งก็บอกว่ า, าพระองค์คิดว่าพยาย า, พยายามเตือนว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะมีชีวิตยอยู่เพียงแค่วันเดียว รูปแรกบอกวันเดียวหนึ่งวันกันหนึ่งคือรูปที่สองบอกหนึ่งวันนะรูปที่สามบอกว่าข้าพระองพิจารณาว่าอาจจะมีชีวิตยอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งวันเมื่อเราลึกได้ช่นนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนพระเถรองรูปที่สี่บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าอาจจะมีชีวิตยอยู่ได้เพียงแค่ชั่วเพียงแค่ฉันอาหารได้มือหนึ่งเท่านั้นเอง ก็จะตายรูปที่ห้าบอกว่าอาจจะมีชีวได้เพียงแค่ฉันอาหารได้แค่ครึ่งมือเท่านั้นเองก็ตายรูปที่หบอกว่าอาจจะฉันอาหารเพียงแค่ได้สี่หาคำเท่านั้นเองก็ตายรูปที่7บอกว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะฉันอาหารได้แค่คําเดียวก็ตายรูปที่7รูปที่8บอกว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะ อู่ได้เพียงแค่ช่วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตรงมี8รูปนะเพราะตรงตัดว่า6รูปแรกเนี่ยยังประมาทอยู่คือตั้งแต่ว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันครึ่งวันหนึ่งมือ้อครึ่งมือ้อสี่ห้าคำนะยังประมาทอยู่นะที่ไม่ประมาทคือสองรูปหลังคือว่า ระ ล, ลึกว่าอาจจะฉันอาหารได้แค่คําเดียวก็ตายหรือว่าอาจจะอยู่ได้เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกก็ตายนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการย้าว่าการพิจารณาความตายนี่ต้องทำอยู่อยู่อยู่เสมออยู่ บ, บ่อยๆนะทุกลมหายใจเลยนะแต่แน่นอนพวกเราอาจจะทําไม่ได้อย่า ง, งานั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ทําทุกวัน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 ก็จริงอยู่แต่ว่าอาจจะไปเจอเหตุการณ์อีกแบบหนึง่งก็คือเครื่องบินตกหรือเครื่องบินชนเวลาเดินทางคือนและลงเลือให้พิจารณาว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางสุดท้ายของเราพิจารณาเสร็ลฐานต่อไปว่าแล้วถ้ามันเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราเราจะทําใจอย่างไรอาจจะพิจารณาถึงขั้นว่าขณะที่เรารู้อีกร่วงหน้าว่าอีกไม่กี่นาทีเครื่องบินจะตกเนี่ย เราจะทำใจอย่างไรจะตื่นเต้นตกใจไปกับคนรอบข้างที่วีดเสียงร้องด้วยความตกใจหรือว่าเราจะหาวิธีประคองสติเพื่อให้เราสามารถที่จะตายอย่างสงบในเวลาสุดท้ายโดยไม่ทุรนทุรายหรือเวลาเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะอ่านข่าวอุบัติเหตุแทนที่เราจะนึกว่าเออมันเป็นเรื่องของคนอื่นลองน้องเข้ามาใส่ตัวว่า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 อยู่บนเตียงหรืออยู่ในหีบนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราแต่ต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเราพร้อมหรือยังเราจะทําใจอย่างไรเราพิจารณาโมนัสเตแม้กระทั่งของหายเงินหายเวลาเงินหายเนี่ยเราเอาแต่ทุกข์เราเอาแต่เสียใจนะแต่เราลองคิดว่าอันนี้แหละคือสัญญาณเตือน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 คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเท่านั้นเทวทัตจะหมายถึงทรัพย์สมบัติที่มันหลุดจากมือเราไปมันพลดัพลดพรากจากเราไปสิ่งเหล่านี้คือเทวทูตหรือสัญญาณเตือนว่าเราต้องสูญเสียมากกว่า น, นี้และที่สุดของความสูญเสียคือความตายเราทําใจได้หรือยังเวลาของหายหรือเรายังทําใจไม่ได้ถ้าเราทําใจไม่ได้แล้วเราจะทําใจ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 ก็อายุยังไม่มากสามสิกว่าไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับพระทิเบต ร, รูปหนึ่งพระทิเบต ร, รูปนี้เนี่ยเวลาทุกคืนเนี่ยท่านจะท่านจะจะไม่เหลือน้ําไว้ในแก้วเลยก็จะฉันให้หมดหรือไม่ก็อ่เสร็จแล้วก็คว่ำแก้วไว้เพราะว่าเวลาตายแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นภาระใครนักเขียนท่านนี้นะก็เลยได้ความคิดว่าทุกคืนเนี่ยจะต้อง ล้างจานให้เสร็จเห็นจานค้างอยู่เมื่อไหร่ <c oughs> ก็จะต้องถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราอาจจะต้องตายคืนนี้ก็ได้ถ้าเราตายคืนนี้แล้วเราไม่อยากจะให้จานนี้เป็นภาระให้กคนต้องมาล้างแทนเราเพราะนั้นก็ล้างซะเลยอันนี้ก็เป็นอุบายในการที่ใช้จานที่ยังล้างไม่เสร็จเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราอาจจะตายคืนนี้ก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีการที่ช่วยได้ แล้วก็วิธีการสําคัญหนหนึ่งที่ถ้าจากพุทธท่านนะคือฝึกตายก่อนตายอยู่เสมอฝึกวิธีการดับไม่เหลือนะท่านจะบอกว่าเวลาคนเราจะตายเนี่ยต้องรู้จักท่านเชฟว่าตกกระไดพอยกระโจนเวลากายมันจะแตกดับไปใจต้องรีบกระโจนนะกระโจนคือปล่อยวางให้หมดเลยไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นไม่ยึดติดทรัพย์สมบัติไม่ยึดติ ด, ด, ตดลูกหลานไม่คิดว่าจะไปเกิดในสวรรค์ ไ ม, ไม่ไม่ยึดอะไรต่อไปอันนี้เราดับไม่เหลือหรือว่าตายก่อนตายคือตายแบบลดละตายแบบให้ตายจากกิเลสตายจากความพิถีในตัวตนนะซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถจ ะ, ะเผชิญกับความตายเมื่อมาถึงจริงๆได้แล้วมอถึงตอนนั้นเนี่ยความตายมันจะไม่ใช่วิกฤตแล้ว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 เมื่อสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่เนี่ยท่านไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นซึ่งซึ่งป่วยหนักนะก็จะเป็นลุกสิทธิ์ร า, าธิอาพาธนะท่านเห็นหลวงปู่ดูลก็ก็ก็ดีใจก็กราท่านหลวงปู่ดูลก็ก็ยิ้มยิ้มนะฮะแล้วก็พูดสัน้นๆว่าให้การปฏิบัติของเราทั้งหมดที่เราปฏิบัติมาเนี่ย ก็เพื่อวันนี้เท่านั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราทั้งหมดก็เพื่อมาใช้ในวันนี้เท่านั้นขอให้จิตเนี่ยนะเพ่งเป็นหนึ่งละวางทุกสิ่งนะให้จิตเป็นหนึ่งนะละวางทุกสิ่งนะท่านกำเนาเท่านั้นเ่าคิดว่านี่แหละคือวิธีการที่ทําให้ความตายเนี่ยเป็น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 อยู่เหนือความทุกข์ได้นี่ตมาคิดว่าอันนี้แหละคือคือคือสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกับญาติโยมนะในเรื่องท่าทีต่อความตายโคชคิดว่าพอสมควรนะแก่เวลาสาหรับการบรรยายในเบื้องต้นถ้ามีคำถามก็คิดว่ายังพอมีเวลาอยู่ เรียนเชิญยติธรรมกัลยณาณมิตรนะครับใครมีคําถามเดี๋ยวผมชายื่นไม้ไปให้นะครับถ้ายขออนุญาตพระอาจารย์ถามเองครับอาจารย์อาจจะเป็นการอุ่นเครื่องอะนะครับผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียม ค, คำถามอะไรเพราะอาจารย์กล่าวไว้ก็ยังจะแจ่มชัดดีแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าสมมติไม่ผิดจะเคยได้ยินคําว่าออคนเราเนี่ยออทุกคนตายแน่นอนเหมือนกันหมดแต่มีความแตกต่างกันในหลายๆลักษณะไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับพระอาจารย์ คือตัวกำหนดสำคัญคือกรรมนะกรรมเนี่ยแน่นอนสถานที่เวลาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสาเหตุของความตายเนี่ยแตกต่างกันในทางกายภาพเนี่ยมีหมอคนกนึงพูว่าคนเราเนี่ยไม่เคยมีใครที่ตายเหมือนกันเลย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 เพราะว่านอกจากปัจจัยภายนอกที่ที่ต่างกันแล้วรวมทั้งโลกที่ต่างกันแล้วรวมทั้งปฏิกิริยาทางกายที่ต่างกันแล้วสิ่งสำคัญก็คือจิตใจซึ่งโยงไปถึงเรื่องของของกรรมนะอันนี้ก็จะก็จะเป็นตัวที่ทำให้ให้ความความตายนี่มันของแต่ละคนนี้จะมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ไปทุกคนเลย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 ระลึกถึงกรรมหรือกรรมะอารมณ์คือการระลึกถึงกรรมต่างๆที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ในอดีตในชาตินี้นะซึ่งมันก็ตรงกับที่ทางทางทางทางฝรั่งเนี่ยเขาได้ศึกษาพวกคนใกล้ตายเนี่ยเขาจะพบว่ามันมีมันมปรากฏการที่เรียกว่าไลฟ์รีวิวไลฟ์รีวิวก็คือทลบแปลงเนี่ยคือการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแต่มันเหมือนกับว่าไอ้ความทรงจาต่างๆเกี่ยวกับอดีต ไม่ว่าเรื่องเล็กๆในน้อยๆๆเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบ ก, กุศลหรืออกุศลเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาและตัวเองเนี่ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอันนี้คือการที่เขาเกิดจากการที่เขาไปวิจัยมาเราพบว่าจํานวนมากเนี่ยประมาณอย่างน้อย 20% ที่เขาพบเนี่ยมีประสบการณ์นี่คือไลฟ์รีวิวนะนั้นมันก็ตรงที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ย ตำลานทางพุทธศานคือว่ากรร ม, มาอารมณ์เนี่ยคือจะพิจารณายกไอ้กรรมต่างๆที่มันได้ทำเนี่ยมันก็จะกลับมาให้เป็นอารมณ์ใน จ, จิตใจและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรา ก, กรรมนิมิตกรรมนิม้ไมก็คือนิมิตที่เกี่ยวนิมิตอาจจะทางตาทางอูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือเห็นภาพได้ยินเสียงเกี่ยวกับบุคคลวัตถุสิ่งของที่สืบเนื่องกับการกระทํานั้นเช่นถ้าฆ่าสัต ก็จะได้ยินเสียงไก่หรือเห็นเห็นวัวเห็นควายที่ตัวเวงฆ่าเนี่ยมาผัวประมาปกดอย่างในสมุทาิก็มีก็มีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นพรานเมื่อจะตายเนี่ยก็จะก็จะเห็นหมาป่าคล้ายๆจะมัมางับมาไล่แต่นั่นเป็นขตินิมิตนะในตำราก็บอกเป็นขตินิมิตคือคือภพภูมิที่จะไปเกิด เพราะผู้ญ่ไปเกิดนี่จะแสดงจะบ่งบอกเป็นสัญจาณในรูปของนิมิต ท, ที่เกี่ยวกับว่ า, าจะไปเกิดในพบไหนเช่นจะเป็นเดรัฉานจะเป็นเปรตจะเป็ น, นจะไปในนรกอะไรเงี้ยก็จะมีตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปทำให้คนที่คนใกล้ตายเนี่ยเขาเกิดความกระสับกระสายทุเลงทุทลายเกิดความทุกข์ก็ได้หรืออาจจะเกิดความสุขเกิดความสงบเย็นเพราะว่า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 ทรัพสมบัติห่วงลูกห่วงหลานตรงนี้เป็นเรื่องของกรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณไปทําอะไรเขาใครเขาไว้หรือคุณถูกกระทําและคุณเก็บคุณไม่อยอกรู้จักปล่อยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมคุณไม่ได้ไม่ได้มีเวลาจัดการเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานเสร็จแล้วคุณก็มาทุกข์เพราะว่าคุณมาห่วงหาอะไรก็ตอนนั้นพวันี้ก็เป็นเรื่องกรรมซึ่งทําให้การการต่างแต่ละคนเนี่ย ไม่เหมือนกันทั้งในระหว่างตายแล้วก็เจ น, นถึงตอนตอนหมดลมทางนี้นขออนุญาตถามต่ออนิดหนึ่งครับอาจารย์แล้วถ้าสมมุติเราเราอยู่อย่างเช่นเป็นญาติเราอย่างเงี้ยครับเขามีอาการเหมือนกับเป็นกรรมนิมิตเห็นพวกภาพหลอนอะไรต่างๆแล้วเราจะช่วยเขาได้ยัง ไ, ไงไหมครับพระอาจารย์ออันตมาเมื่อกี้ตัวอย่าง นายพรานที่เขานึกถึงที่ก็เห็นหมาป่าจะมาไล่กัดเขาเนี่ยเพลเนี่ยลูกชายของนายพรานนั้นเป็นเป็นพระนะแล้วท่านก็มีความรู้เรื่องนี้คืออันนี้เป็นความรู้ที่รู้กันโดยทั่วไปนะก็รู้ว่ากําลังจะไปในทางไม่ดีเกิดอิมพิที่ไม่ดีก็ให้ก็หาดอกไม้ให้พ่อเนี่ยให้โยมพ่อเนี่ยถือไว้ บอกว่าจะไปบูชาพระพุทธเจ้าพอพอใจนึกว่าออกำลังถือดอกไม้บูชาพู้จาเนี่ยจิตก็เป็นกุศลพอจิตที่เป็นกุศลเนี่ยไอ้นพวกนี้ก็หายไปคือนิมิตมันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อจิตเราไม่มีเมื่อเมื่อเราเรียกว่าอะไรฟั่นเฟือนไม่มีสติ แต่พอมีสิ่งเตือนใจให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีงามจะเป็นพุทธานุสติสังขานุสติเทวานุสติธรรมานุสติก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นรูปธรรมจะดีกว่าคือพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสงฆ์หรือเทวดาไปเลยก็ได้เจ้าแม่กวนอิมอะไรไปเลยก็ได้นะแต่ไม่รู้รวมจะตุคามหรือเปล่นะเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ถูกมาใช้เพื่อการนี้นะส่วนใหญ่พืดถเรื่องเรื่องการค้าพอคิดตรงนี้เนี่ยใจก็เป็นกุศลพราะจะเป็นกุศลเสร็จพอตายตอนนั้นพอดี เรียกว่าอสัญกรรมเป็นอสัญนกรรมที่ดีอาการอสัญนกรรมพฤกกรรมจวนเจมกรรมใกล้าตายพูดง่ายสุ่งส่วนใหญ่หมายถึงกรรมทางใจมนโนกรรมก็เลยไปสู่สุกติแทนที่จะไปสู่นรกภูมิหรือไปสู่ทุกตินะว่าเราจะเห็นได้ว่ามีธรรมเนียมของคนสมัยก่อนเช่นในภาคอีสานเนี่ยเมื่อจะตายเนี่ยก็จะให้คนป่วยเนี่ยซึ่งไม่รู้ไม่ค่อยรู้ตัวแล้วเนี่ยถือดอกไม้ทุบเทียนบอกว่าจะไปบูชา พระเกตแก้าจุลามณีเจดีบนสวรรค์นะเพราะมีความเชื่อว่ามีเจดีที่บรรจุพระเกตของพระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์นะเมื่อคนป่วยเนี่ยเขาเขาได้รับการเตือนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าใจเขาเป็นกุศลนะหรือว่าบางทีก็มีธรรมเนียมให้พระเนี่ย ม, มาบอกก่อนตายบอกอรหันต์ก่อนตายแต่ว่า ท่ามหนนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจํากัดเป็นพระก็ได้ยัดิญาก็ทําได้อาตมาก็ได้พบหลายกรณีที่ญาติเนี่ยชเช่นพี่น้องหรือว่าหลานหลานเนี่ยมาช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมาส่งผู้ป่วยให้ไปอย่างสงบนะผู้ป่วยบางคนนี่เป็นโรคเป็นโรคเรียกว่าพิษในตับเนี่ยซึ่งแล้วก็ไม่ยอมรักษาเขาบอกว่าพอแล้วซึ่งหมอบอกว่าถ้า ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะต้องตายแบบแบบเพอ้อทรมานหรือว่าไม่รู้สึกตัวไปเลยแต่ปรากฏว่าผูา้ป่วยนี่รู้สึกตัวจนกระทั่งเกือบจะชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็มีมีครอบครัวมีเพื่อนๆมีหลานหลานเนี่ยมาช่วยช่วยช่วยน้อมใจให้สงบนะด้วยการสวดมนต์สวดมนต์พันจบนะเป็นแบบจีนนะ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 ก็คือบุญกุศลนั่นเองนะบุญกุศลสำคัญเลยพอพอเราลืกถึงแล้วเนี่ยในะจเราปิติบุญกุศลเนี่ยจะหมายถึงการที่แม่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีจรงทั้งเกิดความภาคภูมิใจก็ได้แล้วก็ใครกันก็แนะนำให้เขาปลดเปลื้งสิ่งค้างขาใจอย่างเช่น เมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนในหมู่บ้านอัตมาเนี่ยแกแกป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งปอดหรือไงเนี่ยแล้วก็มามารักษาเรียกว่ามาตายที่บ้านวันสุดท้ายเนี่ยใครๆก็รู้ว่าแกแกคงไม่ไหวแล้ว ก, ลก็ลูกลหลานก็ก็ก็กลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมแม่แต่ว่าลูกคนหนึ่งยังมาไม่ถึง ผู้ป่วยนี่ก็อุตส่าห์พยุงกายขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกคนนั้นที่ยังมาไม่ถึงนะสามีเนี่ยซึ่งทางซึ่งได้รับคำแนะนำจากทางพระตอนน้าต่มาไม่อยู่ก็มีลู้วัดนี่เขาแนะนำว่าเมื่อจะไปต้องให้ปล่อยวางหมดเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งสิน้นสามีก็เลยบอกว่า อย่าไปห่วงลูกเลยนะนะขอให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะก็ได้สติคืนมาก็เลยเลิกถามถึงลูกแล้วแล้วก็นอนนอนไปสักพักนะก็หมดลมคือปาปแบบไปแบบสงบเลยแหละทั้งทั้งที่เป็นมะเร็งนะแต่ว่า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 ม่ทราบใครมีคําถามอะไรไหมครับจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายก็ได้นะครับสามารถถามได้หมดเลย <c oughs> เพราะว่านี่ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้าทางชมรมของเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิออย่างท่านพระอาจารย์ไพรสานะครับซึ่งทุกทา่านคงจะทราบกันดีอา่ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับา ง, งานคงจะไม่มีมีไหมครับถ้าทางจะมี กรา บ, บนะมาสจานมาสการพระอาจารย์รรครับออพอดีเมื่อเดือนมีนาได้ไปโอกาสไปเวียดนามนะครับแล้วก็ไปวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดสําคัญแล้วก็มีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งที่ท่านเผาตัวเองเพื่อประท้วงแล้วก็เห็นรูปว่าท่านโรยน้ํามันแล้วก็จุดในทางพุทธศาสนาเองเนี่ยการทําฆ่าตัวตายอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นเป็นบาปครนี้ในลักษณะที่ท่านทําแบบนี้เนี่ย การตายในรูปแบบอย่างนี้แล้วท่านจะดูจากรูปเนี่ยท่านไม่ได้ทรมานอะไรท่านก็เข้าใจว่าอาจจะเข้าสมบัติระดับนิโรธแล้วเราไม่ทราบะนะแต่นิ่งมากแล้วก็เบิ่นตัวเองแล้วก็หัวใจก็เต้นดุบดุ บ, ด บ, ดบถ้าดูจากที่เขาถ่ายไปให้ดูนะครับก็เลยอยากจะขอความรู้ในเชิงจิตอะไรต่างๆจากพระอาจารย์ครับเรื่องนี้นี่ท่านทินตัดดทฐานก็เคยอธิบายเมื่อตอนเกิดเหตุใหม่ๆพระรูปที่เผาตัวเองเนี่ยก็คือเพราะติกรุงดุก๊ก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 เป็นเครื่องแสดงถึงความยืนยันว่าต้องการเรียกร้องสันติภาพท่า น, นาาทินนทอธิบายอย่างนี้ว่าธรรมเนียมของพระมหายาณเนี่ยเมื่อเวลาจะบวชเนี่ยจะต้องเอาทูบจี้เห็นดูหลังกลังภายในใช่ไหมเห็นตรงเนี้ยทูบจี้บางนิกายเนี่ยไม่ใช่เอาทูบจีเ้เดียวนะเอาเหล็กเอาเหล็กล้อนเนี่ยน้าแขนมนิกายนิปปอนซันมีโฮจิในขณะที่กำลังอุปสมบท เพราะในคัมภีร์สมบัเนี่ยก็จะกล่าวคําค้า่ๆเป็นคําปฏิญาณคนเราเวลากล่าวคําปฏิญาณว่าจะบวชจะบวช เ, เ, เพื่อ พ, พระพุทธธรรมประสงค์หรือบวชเพื่อการขัดเกลากิเลสหรือบวชเพื่ออุดมปติที่สูงส่งเนี่ยบางทีเราพูดได้ปากปล่าเราพูดได้แต่ขณะที่เรากําลังทุกข์กำลังร้อนกําลังเจ็บปวดแต่เราสามารถที่จะพูดถึงสิ่งนั้นเนี่ยถึงปฏิ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 เวลาเราพูึงสันติภาพเราพูดได้ในห้องแอร์เราพูดได้ในขณะที่เราสบายสันติภาพเพื่อชอวาวพ ม, มา่าสันติภาพเพื่อขเขมรสันติภาพเพื่อเพื่อในสุดาในรบันดาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าคุณทุกข์แล้วคุณจะพูดสันติภาพเนี่ยคุณจะพูดนึกถึงคนอื่นเนี่ยแสดง ว, ว่าคุณคุณจริงใจกับสิ่งนั้นสิ่งที่คุณพูดจะมีน้ําหนักมากนะ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 การใช้ไฟเนี่ยนะที่จะโฮมทั่วล่างก็อย่างที่คุณเห็นก็คือว่าท่านที่คนทุก็ไม่ได้ทุกทรมานอะไรนะจะมอนิ่มอลนิง่งหนึ่งคือมอลนี่ของการฆ่าตัวตายก็ยังก็ยังเรียกได้ไม่ได้อย่างนั้นเป็นการฆ่าตัวตายตรงที่ว่าไม่ได้ทําเพราะว่ามีความรังเกียจชีวิตเมื่อคนที่รังเกียจชีวิตเพราะว่าอกหักผิดหวัง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 ซึ่งก็อาจจะเป็นความประสงค์ของท่านคือต้องการช็อกเพื่อให้คนเนี่ยหันมาตื่นตัวทัทีว่าเวียดนามกำลังจะลุกเป็นไฟนะซึ่งก็ได้ผลนะเพราะว่าตอนนั้นปี2อ0 6ันรหกคนยังไม่ค่อยสนใจเรื่องเวียดนามเท่าไหร่ก็ได้ผลแต่ว่าก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมามากมายอันนี้ท่านตินทันใหก็อธิบายแบบนี้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 คือปลูกทีเดียวเนี่ยได้ทั้ ง, ไ ด, งได้ทั้งต้นไม้ได้ทั้งบุญด้วยนะแล้วก็การทําชนะก็เป็นการลดละตัว ต, วตวนคือว่าไม่ได้ยึดว่าเป็นต้นไม้ของฉันนะทีเดียวทําทีเดียวได้3อย่างเลยนี่คือฉลาดทาบุญ <c oughs> ทรีอินวันใช่ไหมอ่าอี ก, อ ก, อกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเน้นเรื่องกา ร, รเผชิญกับตายอย่างสงบฉลาดทําบุญเป็นเรื่องการใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้ถูกต้องเกื้อกูลผู้อื่นและขณะเดียวกันเมื่อจะตายก็ตายอย่างฉลาดคือตายแบบ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 อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีกิจกรรมแบบอาสาสมัครก็คือว่าอาสาสมัครเนี่ยรับอาสาสมัครเนี่ยไปไปไปไปช่วยเหลือไปเป็นอาสาสมัครผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนักรวมทั้งเด็กด้วยตอนนี้ก็ทําที่โรงพยาบาลจุฬา เ, เ, เพราะว่าจากประสบการณ์เราพบ ว, ว่าผู้ป่วยจํานวนมากตอนนี้เนี่ยแม้ก็จะมีญาติแม่เขจะมีพ่อแม่เนี่ย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 ก็พบว่าเกิดความผูกพันแล้วก็ช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยบางคนเขาก็เขาก็าก็ไปอย่างสงบมากขึ้นบางคนเขาก็ยังไม่ทันตายเขาก็กลับไปบ้านก็มีการาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันแล้วก็พบ ว, ว่าอาสาสมัครก็รู้ว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ทาประโยชน์หลายคนหลายอย่างตอนนี้เราก็ทํามาได้สองรุ่นลวอาสาสมัครรุ่นละสามเดือนแล้วก็ก็พบ ว, ว่าคนสนใจเยอะนะฮะ คือว่าคนสมัครมากกว่มากกว่าจํานวนที่เราต้องการนะก็เรากาลังคิดว่าต่อไปก็อาจจะต้องขยายไปโรงพยาบาลอื่นด้วยแต่อันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของโรงพยาบาลเพราะว่าบางทีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็จะคิดว่ามีอาสาสมัครมา ก, ก็ทําให้เป็นเพิ่มงานของโรงพยาบาลเหมือนกับตอนที่เราไปทำอาสาสมัครไปเยี่ยมไปเป็นนวดเด็กเด็กที่บ้านปากเกรด็ดนะเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยถูกทิ้งนะแล้วก็ พอมาอยู่บ้านปักเกกก็ได้แต่นอนอาสาไม่มีไม่พี่เลี้ยงเนี่ยไม่มีมี ม, ม, ม, ม, มีไม่มากพอที่จะพอที่จะดูแลเพราะเด็กเราเนี่ยไม่เคยได้รับการอุ้มนอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอร่างกายกายภาพนเนี่ยแย่บางทีสองขวบเร่งเดินไม่ได้เลยเพราะว่านอนอย่างเดียวเนีพอมีอาสาสมัครมาอาสาสมัคร ม, ม, มาช่วยอุ้มมาช่วยนวดก็ดีขึ้นนะก็แต่ว่าเราก็รู้ว่ารอดรู้ดีว่ามันก็ไปเป็นการเพิ่ม พาล่าให้กับเจ้าหน้าที่เหมือนกันอันนี้ก็แต่ถ้าเขาเข้าใจนะมันจะช่วยทำให้งานของง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้ก็กตอนนี้ก็ทำได้เป็นปีที่ปีที่สมแล้วโนวดเด็กเนี่ยแต่ว่าเรื่องของช่วยเหลือผู้เป็นอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยนี่ก็เพิ่งเริ่มปีนี้ก็เราก็มีเว็บไซต์นะฮะถ้าท่านสนใจก็มาเปิดดูได้ b, net, b, fo, b ูตเน็ตบูตเน .info b u d n e t b ูตเน็เนี่ย แล้วก็ dot info